ในคัมภีร์กล่าวว่าแม้แต่เจตนาในความฝันยังให้ผลเลยน ะ, ะมีมีอยู่หลายแห่งหลายคัมภีร์ด้วยการที่กล่าวถึงเรื่องฝันนะเพราะฉะนั้นความฝันเนี่ยขนาดว่าแค่คนฝันก็คือคนใจลอยนะไม่ต่างกันคนฝันก็คือคนใจลอยนั่นแหละเบอบ์ไปอย่างนั้นนะเจตนาเหล่านั้นยังให้ผลพมันไม่ต้องกล่าวถึงว่าที่กําลังพูดกําลังคิดกําลังทําอะไรเนี่ยอันเงื่อนไขเจตนาเขาก็เงื่อนไขเจตนานะ เขาไม่รับรู้ว่าสําคัญหรือไม่สําคัญโดยบัญญัติที่เราคุยกันเขาเอาแต่ความเป็นกุศลกับอกุศลมาเท่านั้นเองเจตนาที่ทํามีโทษหรือไม่มีโทษเขาใส่ใจตรงนั้นน่ะถ้าไม่มีโทษให้ผลเป็นความสุขถ้ามีโทษให้ผลเป็นความทุกข์นะคิดดูตั้งแต่เช้าแม่เราโหสร้างกรรมไว้ขนาดไหนถามว่ากรรมสร้างไว้มากๆอย่างเนี้ถามว่าเมื่อไหร่จึงจะทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ที่สุดแห่งทุกข์อยู่ที่ไหน พอมองเห็นทางไหมในฐานะเราศึกษาพระธรรมคำสอนมาเยอะๆอย่างนี้แล้วว่าโอ้เจตนาเหล่านี้มีผลมีผลไปหมดเลยถามว่าทำยังไงจะพ้นจากเจตนาเหล่านี้ได้มีมีทางออกไหม ม, มีทางออกอันนั้นก็คือการทำวิจัยเรื่องเจตนานั่นแหละเจนทร์อนการ พิจารณาเจตนาโดยปริญญาสามนั่นแหละเป็นข้อปฏิบัติเพื่อพ้นจากเจตนานั่นแหละฉันต้องเรียนรู้เรื่องเจตนาว่าจักขนะรูปประสันเจตนาเป็นยังไงความจงใจในขณะที่ตาเห็นสีเนี่ยเราจงใจยังไงเราคิดยังไงเจตนาที่เป็นไปกับการได้ยินเสียงเอเจตนามีหกเห็นไหรูปประสันเจตนาหนึ่งสาธาสันเจตนาหนึ่ง คันทะสันเจตนาหนึ่งราษฎสันเจตนาหนึ่งโพธาสันเจตนาหนึ่งแล้วก็ธรรมะสันเจตนาหนึ่งเจตนาที่เป็นไปกับอารมณ์หกนั่นแหละหันเจตนาที่ที่เป็นไปกับสมมุติว่าเห็นน้ําเจตนาที่เป็นไปกับน้ําถ้าเจตนาอันนั้นนะถ้าเป็นไปกับอกุศลทีนี้ก็มาวิเคราะห์ว่าถ้ามองเห็นน้ําล่วงกรรมมาบดไหม สามารถล่วงกรรมบดไหมไม่ค่ะนะสมมติท่านมามองเห็นน้ําของโยมผู้การทงชายเนี่ยสามารถล่วงกรรมบดได้ไหมแล้วแต่ท่านจะคิดครับอ๋อแล้ ว, แ, ล ว, แ, ลวแต่จะคิดนะไปชักข่าเขาหน่อยนะนั่นแหละ <c oughs> พอมองเห็นตั๊บคิดเลยนะกูขออันนั้นเนี่ยต้องเป็นของเราอันนั้นเนี่ยต้องเป็นของเราโดยวิธีใดก็ช่างเถอะอันนั้นเป็นมโนโกรรมเป็นอภิชาอภิชาล่วงกรรมบดแล้วนะ นั้นมีค่าเท่ากับลักเลยไอเจตนาที่มองเห็นปั๊บน้อมเข้ามาในตัวอย่างนั้นนะเท่ากับเดินไปหยิบเองเดินหลักหนักพอๆกันให้ผลนําเกิดได้เอาในนี้เจตนานั้นนะถ้ามองเห็นยุงสักตัวบินว้างๆไอยุงตัวนี้มันหน้าตายอะ่ะมันน่าชิบหายมากเลยนะนั่นพอๆกับตบเลยนะเจตนาที่คิดนั้นอะ่ะหนักเท่ากับตบยุงเลย พยาบาทกับปาณาปีบาทไม่ต่างกันว่าถ้าเสพมากมีโทษมากแล้วแต่ว่าสัตว์ที่เราคิดเนี่ยเป็นสัตว์ชนิดไหนนั้นล่วงให้ผลได้แต่ถ้าไม่พอใจเฉยๆบินแนง่แหวมลำคาญยังเลยโทสะเกิดอันนี้ให้ผลในประวัติการหรือไอ้กรรมเจตนาชนิดนี้ไปสนับสนุนกรรมที่เคยร่วงกรรมบดไหมนั่นแหละเพราะแต่ละวันแต่ละวันซึ่งเรามีความนึกคิดตลอดเวลาใครทําไม่ให้เจไอ้ทําเจตนาให้เป็นอโภหาริกได้ไหม ไม่มีเจตนาเลยอ่ะจิตดวงไหนที่ไม่มีเจตนาบ้างเจตนาเกิดร่วมกับจิตทุกดวงนั่นแหละท่านลองกล่าวถึงว่าถ้าเจตนามันเป็นกุศลบ้างที่มันเป็น อ, อุปธิยังไงครับมันทรงไว้ซึ่งทุกยังไงบ้างครับแม้แต่เจตนาเหล่านี้นะสมมุติถ้าหากว่าเห็นน้ําเออเจตนาที่คิดจะให้น้ําเนี่ยนะเจตนาที่คิดให้ เจตนาเหล่านั้นเป็นกุศลใช่ไหมกุศลเหล่านี้ให้ผลนำเกิดไหมถ้าหากว่าให้ผลมาเกิดเนี่ยสมมติถ้าให้เกิดแบบเป็นอาตมาอีกชาติหนึ่งข้างหน้านะถามว่าอยากได้อีกไหมถ้าของาาอาตมาเองถามอาตามาอยากได้มาเป็นบอกท่านไปเดินรอยเก่ามาแบบนี้อีกเอาไหมกลัวยิ่งกับกลัวผีอีกให้ไปอยู่ป่าชา้ายังยนหน้าอยู่กว่ามันที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่บางทีไม่ไม่ชอบ ไม่ชอบไม่เชื่นชมเลยอเนื้ อ, อถึงแล้วไม่สมานับเลยอะ่ะนี่ยนั้นหลายๆคนก็เหมือนกันเกิดมานะโอโหถามว่าอยากอยากมาเป็นอย่างนั้นอีกไหมแล้วนี่นับว่าชั้นดีแล้วนะถ้ามันต่ํำมานั้นจะว่าไงเนี่แหละเห็นได้ยังครับว่าอภิสังขารูปธิมันเป็นยังไงอะ่ะไอเจตนาเนี่ยมันทรงไว้ซึ่งทุกยังไงอะ่ะมันชัดเจนเลยใช่ไหม เขาเ ง, ง่ายอีกนิดนึงครับกาโ ม, มประเทศเขา ง, ง่ายๆเลยอ่ะใช่ไห ม, มกาโ ม, มประเทศออกาโ ม, มประเทศโ อ, อประเทศคือกามกา ม, มีกี่อย่างคะสองอย่างนะหนึ่งกิเลส ก, กามกับวัตถุกามนะกิเลสกามหมายถึงความยินดีวัตถุกามหมายถึงสิ่งที่น่ายินดีนะหมายถึงอารมณ์นั่นเอง อารมณ์ใดที่น่ายินดีอารมณ์นั้นเป็นกามความยินดีอันใดความยินดีอันนั้นเป็นกามกามทั้งหลายพระผู้มีพระภาคอุปมาเหมือนกับร่างกระดูกก็คือร่างกระดูกนี้หมายคําว่าเขาเล่าว่ามีนายโคขาตคือคนฆ่าวัวหรือลูกมือของคนฆ่าวัวผู้ฉลาด พอชำระบ่วมีหมามาล้อมเหมนะงขณะที่เขาก็ลังล้มวัวมันไม่ได้เหมือนมีโรงงานแบบสมัยนี้ใช่ไหมทั่วไปเขาก็ล้มวัวพอล้มวัวปั๊บเนี่ยหมามันก็มาเหามันไม่ได้กลิ่นเลือดกลิ่นคาวกลินอะไรหมามันก็มาล้อมเยอะอันนายโคคาดหรือลูกมือของนายโคคาดผู้ฉลาดนะเขาก็เอาแร่แร่เอากระดูกสักท่อนหนึ่งแล้วก็โยนไปหมาเนี่ยได้อะ แล่เสร็จแล้วเอากระดูกนั่นน่ะมาทาเลือดสักหน่อยให้มันได้กลิ่นเสร็จแล้วก็โยนไปหมาเนี่ยพากันไปแทะใหญ่เลยนะนั่นแหละแย่งกันแทะกัดกันหน้าดูเลยแต่เบงแบ่งแฝ่นั่นแหละอาหารชิ้นเดียวนั่นแหละไอ้กระดูกก้อนเดียวนั่นมันแย่งกันถามว่าในขณะที่มันกําลังแทะก้อนกระดูกด้วยความอร่อยเนี่ยถามว่ามันอิ่มไหมมันก็ไม่อิ่มแล้วขณะที่กําลังแทะอยู่หมาตัวอื่นเข้ามานะมันต้องกัดกันต่อสู้กัน วามันจะนุกไหมนั่นแหละกามทั้งหลายมันก็เป็นอย่างนั้นแหลสะสิ่งที่เห็นทั้งหมดนะที่เป็นรูปารมณ์เขาเรียกว่าวัตถุ ก, การสภาพจิตที่ไปยินดีกับรูปนั้นเป็นกิเลสการเราเคยเห็นว่านี่เป็นโทษไหมพระองค์ตรัสว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เหมือนกับความฝันนะสภาพที่เราเข้าไปยินดีกับสิ่งที่เรายินดีทั้งสองอย่างนี้ไม่ต่างอะไรจากฝันนะคุณบุญช ฝันว่าสมัยนั้นเคยเป็นหนุ่มรูปงามอ่ะอนะตอนนี้ไม่เหลือแล้ว <c oughs> เคยฝันว่า โ, โหสมัยนั้นเนี่ยไปที่ไหนคนก็มองกันตอนนี้เนี่ยไปมองคนคนก็ไม่อยากมองด้วยเลยเนาะนั่นแหละเพราะฉนั้นมันต่างกันสิ่งที่ผ่านมาไม่ต่างจากความฝันแล้วสิ่งเหล่านี้เนียอากรรมเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้อาศัยกรรมนั่นแหละทําให้คนก่อกรรมทําชั่วมากมายมหาสาร อาศัยกรรมวัตถุกรรมกับกิเลสกรรมนั่นแหละทำให้เกิดกายกรรมทำให้เกิดวจีกรรมและทำให้เกิดมนโนกรรมกรรมเหล่านี้ถ้าเป็นไปในฝักฝ่ายที่เป็นบาปเป็นอกุศลโอ้น้ำตาเนี่ยเอาเตรียมถังไวร้รองเหรอนยะเลือดนี่ก็เตรียมหาอะไรมารองเหะเวลามันให้ผลเนะี่ยมันเจ็บแสบจริงๆนะ่า น, นเราเคยคิดไหมว่าความคิดเหล่านี้มีโทษมากมายมาหาศาลเออ วันนี้ท่านคงจะทราบซึ่งนะครับความหมายคําว่าอุปธิคงจําได้แม่นเลยเนาะถ้าหากว่าถ้าจะจํำบอกว่าอุปธิคือสภาวธรรมที่ทรงไว้ซึ่งทุกข์นะถ้ามันรู้สึกมันเป็นภาษาเทคนิคท่านบอกว่าคือสภาวธรรมที่อมไว้ซึ่งความทุกข์แม่อันนี้ก็ง่ายๆเนาะอมไว้ซึ่งความทุกข์เนี่ยอ ม, มันชัดเจนเลยนะเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าหากว่าท่านเข้าใจคําว่าอุป พอได้ยินอุปธิปั๊บเนี่ยเราต้องรู้เลยนะเราไม่รู้แค่แค่ว่าเป็นแค่กิเลสมันแค่นิดเดียวอ่ะใช่ไหมถ้าเรารู้อย่างนี้นะมีตั้งแต่อะไรนะครับมีตั้งแต่กามุปธิแล้วก็กิเลสูปธิกิเลสูปธิอภิสังขารูปธิกามูปธิกามูปธิมีอีกเยอะแยะเลยนะใช่ตอนนี้อุปธิอันนี้เนี่ยเราจะได้เห็นบ่อยๆในพระไตรปิฎกว่าถ้าหมดไปเนี่ยหมายถึงว่าอย่างไรหมดอุปธิ อุปเทวิเวทท <บด S 2> ่าน<ป>ารหัสนั่นแหละเป็นผู้สิ้นอุปเทธทั้งหลายอย่าลืมนะพผ่ารหัสงก็คือผู้ที่ได้อรหรตัตมรรคผู้ที่ได้อรหรตัตมรรคนั้นอรหรตัตมรรคเป็นผลของวิปัสนาวิปัสนานแบบพผ่ารหัสงก็ต้องมาจากสกาธาคามีผลก็ค่อยไล่มาเรื่อยๆไล่ๆไลลองมาต่ําที่สุดนะก็เหมือนกับเราพวกําลังศึกษานี่แหละ เป็นการศึกษาเพื่อสลัดทืนซึ่งอุปธิทั้งหลายวันนี้ยังสลับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าทำคําสอนของพระพุทธเจ้าประกอบด้วยพระประยิยติธรรมอริยมรรคอริยผลและนิพพานนะเรายังไม่ไม่คิ ด, ดว่าไม่ได้ยนโฉมนิพพานก็ไม่เป็นไรขอให้ได้พระสัตธรรมคือพระปริยัติธรรมก่อน พอให้มองเห็นสองทางที่จะเดินต่อไปข้างหน้าเราไม่สามารถที่จะมองเห็นโลกอย่างสว่างสวยก็เก็บพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นทาเป็นไฟฉายเนี่ยส่องอนะนะเป็นไฟฉายสักอันหนึ่งส่องอย่าเดินเตะตอนักอย่าไปเดินเหยียดแก้เหยียบน้านะนี่หมายความว่าพูดก็ให้มันบาปน้อยๆหน่อย <c oughs> <c oughs> นั่นแหละพูดอยู่แล้วนะพูดยังไงให้มันลดบาปจา ก, กวาจาไปเยอะๆหน่อยเราก็มี พฤติกรรมอยู่ทุกวันอยู่แล้วทํายังไงไอพฤติกรรมเหล่านี้มันลดบาปลงมาอีกเห็นไหมอย่างน้อยๆถ้ามันจะโลภะก็อย่าให้มันล่วงกรรมาบทถ้ามันจะโทสะนะโกโรธก็อย่าถึงกับไปด่าคนอื่นเลยนั่นแหละมันไม่ร่วงมาเป็นวจีกรรมหรืออย่าให้เป็นมโนทุจริตนั่นแหละอย่าให้มันกรรมประเภทร่วงกรรมบทเสร็จแล้วก็สังวรสํารวมระวังต่อไปอีกจนกว่าอุปธิเจวีเวกใช่ไหมครับเชิญทาน แล้วเห็นว่าคําเหล่านี้เนี่ยเป็นความเป็นภาษาพจนิยามที่ได้เลือกใช้พยัญชนะใช้คําต่างๆมาความจริงอย่างอื่นก็มีเยอะแยะใช่ไหม ค, ร, ครับแต่พอพูดถึงอุปทิศนี่ก็โอ้โหนะ้าฟังเหมือนกันนะ ค, ะ ร, ครับฉะนั้นแล้วแต่ที่จริงธรรมะเหล่านี้เพื่อให้เข้าใจอะไรพระพุทธเจ้าทั้งหมดนะคําสอนของพระองค์ทั้งหมดเลยพระองค์สอนแต่ความทุกข์กับความสิน้นไปแห่งทุกข์ถ้าพูดถึงคําว่าทุกข์ปับ๊บเท่ากับพระองค์นี้แสดง สมุทัยด้วยแสดงเหตุให้เกิดทุกข์ด้วยความสิ้นไปแห่งทุกข์เป็นชื่อของนิพพานอันเท่ากับพูดมักด้วยนั่นแหละอันลักษณะคำสอนของพระพุทธเจ้านะอย่างไรก็ตามต้องเป็นไปเพื่อรู้อริยสัจเพยียงแต่ว่าเอาธรรมะแบบนี้ฟังไม่ค่อยเข้าใจเอาแบบใหม่อันพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ฉลาดปรุงยามากเลยอันถ้าทำของพระองค์นั้นเหมือนกับโอสถซึ่งเราจะกล่าวต่อไป แต่ตรงนี้ขอย้อนไปที่อุปมาที่ว่าว่าพระพุทธเจ้าเหมือนกับดวงอาทิตนะพระพุทธเจ้านี่เหมือนกับดวงอาทิตย์พระธรรมเหมือนกับรัศมีหรื อ, รอแสงแห่งดวงอาทิตย์นั่นเองพระสงค์เหมือนกับโลกที่ดวงอาทิตย์นั้นขจัดความมืดให้ทีนี้ว่าพระพุทธเจ้าเหมือนดวงอาทิตย์ ถามว่ายุคนี้เนี่ยผู้าศาสนาเลื่องเลยมาสองพันกว่าปีนี่ถ้าเป็นดวงอาทิตย์นะจะเป็นบ่ายกกี่โมงดี <S <S งอ่านะขณะนี้กี่โมงบ่ายโมงเหรออพอมาว่ า, า, ว า, า, วามันโพลเพลย์เต็มทีแล้วนะมันสักประมาณสักห้าโมงครึ่งห้าโมงเ็จเศษอยาจะหกโมงเย็นแล้วนั่นแหละแล้วบางวันนี่หมอกก็เยอะฝนก็ลงอ่ อีกหนหนึ่งนะถามว่าเราพูดถึงพระพุทธเจ้าปุ๊บเรานึกถึงอะไรก่อนอว่าดวงอาทิตย์เนี่ยนะถูกอะไรเมื่อปิดบังไว้หรือเปล่า<ม>นั่นแหละคนที่จะเห็นดวงอาทิตย์ชัดเจนนะคนนั้นต้องเห็นแสงอาทิตย์เมื่อเห็นแสงอาทิตย์มากๆจึงจะมองเห็นตัวดวงอาทิตย์ฉช่นไงถ้าเราจะเข้าใจพระพุทธเจ้ามากเราต้องเข้าใจพระธรรมมากเข้าใจพระธรรมเท่าไหร่ก็จะรู้จักพระพุทธเจ้าเท่านั้นแต่ถ้ายุคนี้นะ ความเข้าใจในพระธรรมเรามีมากไหมสมมติภาพแบบดวงอาทิตย์นะว่าเกิดขึ้นในโลกเพื่อขจัดความมืดทําให้คนมีดวงตาทําให้สําเร็จกิจการงานทั้งหลายแสงแห่งดวงอาทิตย์ทำให้ศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยสำเร็จกิจการงานใช่ไหมพระพุทธศาสนาเนี่ยเกิดมาก็เหมือนกับดวงอาทิตย์ที่ให้ความสว่างของโลกนั่นแหละดวงอาทิตย์เนี่ยจะรับไปแล้วถามว่าเราได้งานหรือ ย, ยังวันนี้นั่นแหละงานเราได้มากขนาดไหน นั่นแหละคือเราจะได้รับประโยชน์จากแสงอาทิตย์ถ้าดวงอาทิตย์นี้รับไปแล้วจะเป็นโลกที่มืดบอดกว่าจะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตรัสรู้คาสอนเหล่านี้อีกเมื่อไหร่แผ่นดินนต้องหนาขึ้นเป็นประมาณสิบกว่ากิโลเมตรจึงจะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตรัสรู้ไม่ใช่หนาะแค่คืบนะอย่างพระผู้มีพระภาคองค์ก่อนนะพระกัสปะ อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแผ่นดินหนาโยดกว่าโยดหนึ่งก็ประมาณสักสิบหกกิโลเมตรกว่าอีกประมาณสี่ห้ากิโลเมตรอ่ะเพราะฉะนั้นแผ่นดินเนี่ยหนาขึ้นยี่สิบประมาณยี่สิบกิโลเมตรเนี่ยจากพระพุทธเจ้าองค์นั้นถึงองนี้เพราะฉะนั้นช่วงที่ว่างจากพระพุทธศาสนาเนี่ยมีมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นในช่วงที่ว่างจากคําสอนของพระผู้มีพระภาคซึ่งเราทั้งหลายยังไม่เป็นพระโสดาบันเนี่ย เก็บแสงสว่างอันนี้ไว้ใช้ในตอนกลางคืนมั่งถนาดไหนใช่ไหมเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ไว้มากไหมที่จะไปใช้ในยามมันมืดถ้าเราไม่ศึกษาพระธรรมคําสอนระดับหนึ่งถ้าเรายังท่องเที่ยวไปในสังสารวัตไปทําผิดทําถูกเนี่ยถ้าหากว่าสะสมนิอุปนิสัยด้านพระธรรมคำสอนไว้เยอะนะมันก็จะสแสวงหาสิ่งที่ถูกไปเรื่อยถ้าในช่วงที่พระธรรมคําสอนเราไม่ได้สะแสวงหาไว้มาก ในยุค ต, ต่อไปเกิดในยุคที่ไม่มีผู้ศาสนายุคที่ไม่มีพุทธศาสนาก็แสดงว่ายุคเหล่านั้นนั้นเป็นมิจฉาทิฐิ ส, ส่วนใหญ่นะที่เป็นสัมมาทิฏฐิได้นั้นส่วนใหญ่จะเป็นพระโพธิสัตว์จึงจะมีกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิโดยอัตโนมัติด้วยตนเองแต่ส่วนธรรมดาแล้วน้อยมากคนที่จะมีกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิแม้แต่กรรมสักกตาสัมมาทิฏฐิยังไม่เกิดเลย บางลทัทธินั้นอ่ะกลายเป็นว่าการทําอนันตริยกกรรมเป็นความถูกต้องด้วยเขาเล่าว่าบางกลุ่มนะสมมุติถ้าพ่อแม่เขาแก่มากๆเขาเอาให้ไปขึ้นต้นไม้ดูต้นไม้ระดับหนึ่งขึ้นแล้วก็ไปเขยา่าถ้าตกเนี่ยถือว่าสมควรตายได้แล้วนั่นแหละขนาดพ่อแม่นะเขาถือว่าไม่มีประโยชน์อะไรแล้วเขาฆ่าทิ้งเลยลทัทธิบางลทัทธิเนี่ยสอนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทำบาปมากมายขนาดไหน ในช่วงนี้ที่ที่มีพระธรรมคาสอนทำยังไงเราจะมีโอกาสเรียกว่าเก็บข้อมูลหรือเก็บแสงสว่างอันนี้เอาไว้ใช้ในยามยากสะสมดุลรอนไปเถอะนั่นแหละนั้นพระพุทธเจ้านั้นพระองค์เองนั้นอ่ะเป็นผู้ที่มีความสว่างแสงสว่างของพระองค์เนี่ยสว่างสามารถที่จะสาดส่องเห็นอริยสัจโดยแง่มุมต่างๆทุกแงม่มุม นันพระ อ, องค์เนีรู้อริยสัจโดยแทงตลอดพระสงฆ์คือผู้รู้แจ้งอริยสัจ ต, ตามพระผู้มีพระภาคเจ้าอของเราถ้าศึกษาพระธรรมคําสอนไะด้รู้อริยสัจขึ้นนะแสดงว่าเราได้วิปัสนาภูมิขึ้นแนละ้วอริยสัจนั้นเป็นอาหารของปัญญานั่นแหละถ้าคนเข้าใจอริยสัจดีจะเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทขึ้นเข้าใจเรื่องขันธ์ธาตุอยายตนะมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอาหารของสติเป็นอาหารของปัญญาปัญญาเหล่านี้เกิดขึ้นนะ เป็นไปเพื่อความเจริญโดยถ่ายเดียวฉะนั้นสัมมาทิฏฐินี้จึงเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหมดนั่นแหละสัมมาทิฏฐิความเข้าใจที่ถูกต้องความรู้ที่ถูกต้องตามพระธรรมคําคสอนนะถ้าเราได้แสงสว่างเลยนะยังไม่เดินก็ไม่เป็นไรแต่เห็นทางแล้วละ่ะก็ค่อยยังชั่วนหน่อยแต่ทางก็ยังมองไม่เห็นแต่ขยันเดินจังเนี่ยตกหลุมนะตกเหวเอ่าทีนี้กล่าวถึง อุปมาไตราสารนาคมข้อที่ข้อในหน้าที่15นะว่าพระพุทธเจ้านั้นเปรียบเหมือนสารยาแพทย์หมอผ่าตัดนะเพราะทรงถอนลูกศรคือทิฏฐิได้ทั้งหมดองค์เนี่ยผ่าทิฏฐิออกหมดเปลืองเลยถ้าทำนั้นเปรียบเหมือนอุบายที่ถอนลูกศร อ, ออกได้ประธรรมนั้นก็เหมือนกับกระบวนการในการผ่าตัดทั้งหมด ผส์ผู้ถอนลูกศรคือทิฐิออกได้แล้วเนี่ยเปรียบเหมือนชนที่ถูกถอนลูกศร อ, ออกได้นะตรงนั้นแสดงว่าตกทิฏฐิออกไปนะในหน้านั้นนะะส์ผู้ถอนลูกศรคือทิฐิออกแล้วเนี่ย เ, เติมคำว่าทิฐิไปหน่อยนะนนนนะอีกในหนึ่งนะพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนจับสูบแพทย์หมอตา เพราะทรงลอกพื้นชั้นโมหะออกได้แล้วพระธรรมนี่เปรียบเหมือนอุบายเครื่องลอกพื้นตาพระสงฆ์ผู้มีพื้นชั้นตาอันลอกแล้วผู้มีดวงตาคือยานอันสดใสเปรียบเหมือนชนที่ลอกพื้นตาแล้วมีดวงตาสดใสนั่นพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเนี่ยท่านลอกดวงตาแล้วเพราะอย่างน้อยที่สุดเป็นพระโสดาบันนี้เขาเรียกว่า ทัศนะสำปันโนผู้สมบูรณ์ด้วยทัศนะเป็นผู้เห็นอริยสัจเป็นผู้เห็นพระนิพพานนั่นแหละพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนหมอที่ชำนาญในการผ่าตัดมากนะถ้าทําเหมือนกับวิธีการผ่าตัดนะผ่าตัดผ่าตัดทิฏฐินั่นเองเพราะฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยละทิฏฐิได้นะระดับแรกเลยพระโสดาบันละสกายยทิฏฐิ วิจิกิจฉาศีลผตะตรา ม, มาสส่วนใหญ่นั้นพระโสดาบันนี่เขาอุปมาว่ า, าเหมือนกับคนที่ตกอยู่ในห่วงน้ำะนะมีคนคนหนึ่งโผล่จากห่วงน้ำนั่นแหละมองเห็นฝั่งอีกคนหนึ่งกำลังไหวอีกคนหนึ่งนะไปถึงปลายฝั่งแล้วยืนอยู่เรียกว่าเหยียบเหยียบพื้นแล้วแต่ก็ยังไม่ขึ้นบอกอีกคนหนึ่งเนี่ยขึ้นบกเรียบร้อยแล้ว ปุตุชนคนมืดบอดทั่วไปเหมือนกับคนที่กําลังอยู่ในห่วงน้ํานั่นแหละพระโสดาบันเหมือนกับคนที่โผล่ขึ้นมามองเห็นได้เนี่ยฝั่งพระสกท า, าคามีกําลังไหวอยู่พระอนาคามีเนี่ยเหมือนไปเหยียบบกระดับหนึ่งแต่ยังไม่ขึ้นถ้าเป็นพท่าทหารก็คือขึ้นบกละขึ้นขึ้นฝั่งเรียบร้อยแล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าปุตุชนเนี่ยมันบอดนะทพราะนั้นในชั้นต้นเนี่ยมองว่าในห่วงที่กำลังบอดเนี่ยต้องโผล่ขึ้นได้ก่อนนะ ชัมแรกก่อนรั้นอุบายที่จะชําแรกก็คือทํายังไงจะเห็นอริยสัจนั่นแหละรั้นข้อปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นสติประธานสัมมาประธานอิทธิบาทหรือโพธิปักฉิธรรมทั้งหมดเพื่อสนับสนุนให้รู้อริยสัจถ้าหากว่าเห็นอริยสัจแล้วนะกองทุกทั้งหมดอ่ะที่เคยมีอยู่เนี่ยบางสูตรพระ อ, องค์เอาเอาพนขาคือเล็บเนี่ยช้อนเข้าไปในฝุ่นขึ้นมาบอกว่าฝุ่นกับแผ่นดินไหนมากกว่ากัน นะบอกแผ่นดินมากกว่าฝุ่นในในเล็บเนี่ยน้อยเต็มทีบอกว่าพระโสดาบันนะผู้ที่เห็นอริยสัจก็เหมือนกันกองทุกของท่านทั้งหมดเนี่ยที่เหมือนกับแผ่นดินของท่านเหลือเท่ากับที่ฝุ่นในปลายเล็บเท่านั้นเองอนั่นแหละนั้นตั้งเป้าไว้นะตั้งสัมมาทิฏฐิเอาไว้อย่างไม่น้อยที่สุดพระโสดาบันก็ยังนึงปิดอบายหน่อยถ้ามันไม่ได้ถึงตาสาธารณคมก็ยังนิด ลดมาเรื่อยๆใ <c> น <oughs> นั้<ใ>นสามเณรรูปหนึ่ง น, นะเ <c oughs> น้นเน้นบวชมาเน้นป่าถนาอะไร <c oughs> บอกผมป่าถนาชูงมากครับอาจารย์ครับเขพูด <c oughs> มนกระชั้นเ ท, ท่าไร <c oughs> ผมป่าถนาชูงมากบอกกันหน่อยนะบอกผมอายอะครับผมไม่กล้าบอกเอาน่าก็ <c oughs> บอกผมป่าถนาสูงโฉดาบันก็ว่าป่าถนาโฉดาบันก็ว่ บวชมาตั <mm 25, ้งสี er> ่ปีแ no> ล้วนะทุกวันก็ยังบวชได้สี่พันษาแล้วเก่งมากนั่นแหละท่านของเรานี้ถ้าปารถนาเหมือนเนนกนั้นก็ไม่เลวนะพระโพธิสัตว์นะจารปรารถนาของท่านท่านตั้งปรารถนาเพื่อเป็นพระอรหันต์เลยนะท่านท่านก็เรียกว่าปราถนาโพธิญาณน่ะปรารถนาโพธิญาณก็คือปรารถนาอรหัตตมรักนั่นเอง นั่นแหละท่านตั้งความปรารถนาเลยถ้าท่านไม่ตั้งนะท่านทํากุศลแสนดีไงก็แล้วแต่นะท่านเวียนอยู่เนี่ยเนี่ยเวียนอยู่ในในในในโลกเนี่ยเวียนขึ้นเวียนลงอยู่อย่างเงี้ยขึ้นไปแล้วก็ต้องลงอะ่ะฉะนทอเราตั้งเป้าว่ า, าการศึกษาพระธรรมคําสอนของเราเพื่อรู้อริยสัจนะเสร็จแล้วเราก็มาทบทวนใหม่ว่าขั้นตอนหรือกุศลธรรมที่เกื้อกูลต่อการรู้แจ้งอริยสัจนั้นอะ่ะ มีอะไรบ้างใช่ไหม ต, ตั้งแต่มีสัพพาเข้าไปหานั่งใกล้เงี้ยโสดลงสดับพะพอเงี้ยโสดลงสดับก็ทรงจําอัฏฐธรรมนั้นเอาไว้เมื่อทรงจําแล้วก็คร้ครุวนเพ่งพินิษพิจารณาธรรมะเหล่านั้นเป็นของจริงของแท้ก็จะควรต่อการเพ่งควรต่อการคิดเมื่อ อ่าปัญญาเห็นไปขนาดนั้นแล้วก็ทําให้เกิดฉันทะเกิดความเต็มใจพอใจอย่างเต็มที่ันผู้ที่เข้าใจกุศลธรรมนะนะบอกไม่ให้เขาทํากุศลนะอย่าไปฆ่าเขาทิ้งยังจะดีกว่าใช่แล้วเขาก็จะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั้นนั่นแหละอคําสุดท้ายนี่นะอย่าเห็นนี่ของเล็กน้อยเนาะท่านว่าพี่คําว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั้นหมายคำว่าการปฏิบัติธรรมเพื่อ สมควรแก่โลกุตระธรรมแปลตรงๆรเลยการปฏิบัติธรรมที่สมควรแก่โลกุตระธรรมอย่างซกการปฏิบัติธรรมเพื่อสมควรแกโ่โลโสดาปฏิมาษ์อย่างนี้ก็นับตั้งแต่ศีลสัมปทานถ้าโซดาบันนี้เป็นผู้ทำศีลให้บริบูรณ์มีสมาธิแต่พอประมาณมีปัญญาแต่พอประมาณเขาเรียกว่าเป็นพระโสดาบันบุคคลนั่นแหละ ถ้าหากว่าเป็นพระสกท า, าคามีก็คล้ายๆกันถ้าเป็นพระอนาคามีมีศีลบริบูรณ์มีสมาธิบริบูรณ์แต่มีปัญญาพอประมาณถ้าพระอรหันต์เนี่ยบริบูรณ์ทั้งสามประการดังนั้นถ้าหากว่าเบื้องต้นเราก็เอาจตุปริสุทธิศีลมาตั้งก่อนนะอย่างคาราวาะก็ศีลห้าก่อนใช่ไหมแล้วปาฏิโมกข์ของคาราวะาก็ห้าข้อห้าข้อหน้าทําได้มากเลยเนาะโสบายเลยอะ่ะนั่นแหละอย่าไปโกรธยุ่งกัแล้วกัน คือถ้าหากว่าภาคเรานะอย่างอย่างคนในเมืองส่วนใหญ่นะสามารถที่จะรักษาศีลห้าได้ไม่ยากนะแต่ถ้าคนชนบทบางอย่างมันเกี่ยวกับชีวิตของเขาการเป็นอยู่ของเขาเนี่ยบางทีนะไปบางแห่งเนี่ยขอร้องโยมวันนี้มารักษาศีลสักคืนหนึ่งเถอะสักคืนหนึ่งก็ยังดีเราก็ห่วงนะอย่าไปบาปบริสุทธิ์นักนั่นแหละกลัวเขาจะโอ้มันไม่มีบุญติดตัวเลยอะ่ะบางทีโยมบางคนนะที่ที่เราเห็นใจมากๆนะโยม ถึงเราทำบาปไหนๆเราก็ละบาปไม่ได้นะให้ทำบุญไว้บ้างคล้ายๆกับว่าถ้าเกิดเป็นคนก็พอมีข้าวกินกับเขาบ้างอหอย่าไปถึงออกเป็นคนแล้วก็วุ้ยอนาถายากจนซะจนไม่ไหวนั้นก็ไหนๆก็อยู่ในวาตาแล้วอะเราไม่สา ม, มารถที่จะละบาปได้เต็มที่อย่าง น, น้อยๆที่สุดขอให้ได้ทำบุญบ้างมีโอกาสได้ให้ก็ให้บ้างศีลถ้าพอจะสมาทานได้เมื่อไหร่ ก็สมาทานตั้งใจเอานะไม่ใช่โอ้วันนี้นั่งเฉยเฉยไม่ได้ไปตบยุงมีศีลแล้วไม่ใช่นะศีลเกิดจากการสมาทานนะศีลเ น, นี่ยเกิดจากการสมาทานท่านศีลต้องเป็นกุศลนั่งเฉยเฉเนี่ยเป็นกุศลไหมถ้ากุศลไม่เกิดศีลก็ไม่เกิดนะนั่นแหละท่านศีลข้อนี้เกิดจากการสมาทานพอล่วงละเมิดเอาใหม่พอละเมิดปุ๊บเอาใหม่นับหนึ่งใหม่บ่อยๆก็ไม่เป็นไร ก็เหมือนกับเรามีอาชีพหาเช้ากินข้าใช่ไหมเขาทำมาวันนี้ได้กินแล้วก็พอพรุ่งนี้ทำใหม่ดังนั้นคนที่ไม่สามารถจะรักษาศีลได้อย่างยาวนานต่อเ น, นื่องก็เอาแบบนี้เอาสมาทานใหม่บ่อยๆ